เวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยคืออท่านท่านปฏิบัติอะไรยังไงครับโอ้<บ>พระอาริยสงฆ์ท่านไม่ปฏิบัติอะไรแล้วท่านอยู่กับใจที่เป็นธรรมชาติคือแต่แต่รู้ไม่ไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ไพยายามไปดูรู้ลาปล่อยวางอะไรด้วยเหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติรู้ด้วยใจของเขาเองไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วท่านอยู่กับรู้ที่ เป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจใจคือมีสภาพรู้โดยตัวของเขาเองไม่ใช่ว่าไปพยายามรู้ละปล่อยวางเราเป็นทหารท่านไม่ได้ไปพยายามไปอยู่กับรู้นะคือมันเป็นรู้เป็นคือมันเป็นใจอ่ะมันเป็นรู้ของเขาด้วยใจรู้จักใจไม่ใช่ว่าไปปรุงแต่งเอาตัวเราไปอยู่กับรู้คือเป็นรู้เป็นรู้คือเป็นใจเป็นใจที่เป็นธรรมชาติคือ ได้แต่สักแต่ว่ารู้ทุกอย่างหรือว่ารู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางเป็นอุเบขาไม่เข้าไปยึดอะไรเพราะว่าเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอยู่กับใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียบเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่ไม่สิ้นความยึดมั่นถือมัน่นไม่ได้ไปปรุงแต่งรู้ไม่ได้ไปพยายามลู่ละปล่อยวางไ ม, ไม่ไปไม่มีทําอะไรแล้วท่านสิ้นโลกเหนือสิ้นโลกสิ้นสิ้นเหนือธรรมที่ปรุงแต่งไปแล้วก็คือเวลาใช้ชีวิตท่าน พ่อคุยพบปะ ญ, ญาติโยมกับเวลาที่ท่านนั่งสมาธิตามปกติะกะตของท่านจิตไม่ต่างกันเลย <ode vis S 2> ไม่ต่างกันทุกเอยียบทลไม่มีาทา น, า <Right S 1> นอะไรเพิ่มขึ้นดื่มกินไม่มีการไม่มีการกระทำใดใดทั้งสิ้นไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการกระทำใดใดทั้งสิ้นอยู่กับใจของตัวตแท้ที่กว่าอยู่กับทำกี ания, ่กับทำนอนกับทำไปไหนก็ไปกับทำเป็นธรรมอยู่เรื่อยไปโดยอัตโนมัติตายแล้วก็เป็นธรรมตายแล้วก็เป็นธรรมอยู่ไปเป็นธรรมไปเป็นใจเป็นใจที่สิ้นความปรุงแต่ง แล้วอย่างพวกเราที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยจะชอบมีความเคยชินเ ด, มเดิมๆครับแบบนั่งพอนั่งปุ๊บเหมือนกันเลยมันจะต้องทําอะไรบางอย่างในใจเลยต้องรู้เต่าทันไงเพราะมีการกระตัดทำก็คือปรุงแต่งก็ต้องรู้ท่าทันระวังไปว่านี่มันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่เราจะปฏิบัติเราไปสู่ทางเดียวกับพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายทําไมเราไปปรุงแต่งอยู่ละเมื่อท่านทั้งหลายสิ้นคว่าปรุงแต่งเราต้องรู้ท่าทันสังขารปรุงแต่งรู้ละปล่อยวางสังขารปรุงแต่งรู้ท่าทันสังขารปรุงแต่งระวังไปทันที เราต้องเห็นซะก่อนต้องรู้ซะก่อนเราต้องรู้ว่ามันเป็นสังขารปุงแต่งเราจะสิ้นสังขารปุงแตง่งพ้นจากสังขารปุงแต่งแต่เราทำไมยังไปปรุงแต่งอยู่ล่ะเราต้องมีปัญญาที่ฉลาดแล้วเราก็ทุกานาปัจจุบนันถ้ายังหลงปุงแต่งอยู่ <Yeah. S 1> ก็ต้องรู้เท่าทานความหลงปุงแต่งระวางไปทันทีปล่อยวางความหลงนั้นไปทันทีแล้วมันเดียวมันก็จะสิ้นหลงไปเอาสังขารมาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นสังขารพอสิ้นหลงปุงแตง่งมันก็สิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงก็คือเป็นนิพพานที่มั่นคง นี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงก็กินกับธรรมนอนกับธรรมอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมมีใจเป็นธรรมมีธรรมเป็นใจตลอดการไม่มีการกระทําทางใจขึ้นมาอีกเพราะเป็นใจที่เป็นธรรมไปเลยไม่มีการกระทําใดๆในใจแล้วการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราก็บริกรรมพุทโธเท่ากับเรากระทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่บริกรรมพุทโธยังมันคอยหลงเหม่อเพลเพไปฟุ้งซ่าน หลงเดี๋ยวก็หลงเหม่อเพ้อเพล่ไปปรุงสร้างคิดปรุงแต่งอะไรเรื่อยเฉื่อยไปไม่ใช่ว่ารู้ละปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันถ้าเราเนี่ยรู้ละปล่อยวางสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นจิตเกิดดับเร็วมากวิเสี้ยววินาทีเดียวเกิดดับเป็นล้านขณะจิตถ้าปล่อยวางหมดทุกขณะจิตไม่ใช่ว่าไปไล่รู้ละปล่อยวางคือสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจถ้าเกิที่ใจป่อยวางที่ใจคือคือรู้กับที่เลยรู้อยู่กับที่ไม่ว่าจะมีความเร็วสูงยังไงก็ตาม มันก็จะผ่านไปผ่านไปไม่ไม่ไปจับไม่ไปปล่อยไม่ไปไม่ไปจับไม่ไปปล่อยไม่ไปจับไม่ไปปล่อยคือไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปยึดมา่ถือมั่นสักขณะจิตเดียวก็เท่ากับปล่อยวางหมดสิ้นเปรียบเหมือนกับว่ารถไฟความคิดเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะวิ่งความเร็วสูงกี่ขบวนแล่นผ่านเราไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยยืนอยู่ริมสถานีอ่ะไม่กระโดดขึ้นรถไฟคันไหนไปไม่พยายามไปไล่วิ่งไล่รู้เท่าทันแต่ละคันเรารู้อยู่กับที่ เราก็จะรู้รถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเท่าไหร่ก็ตามเราจะสามารถรู้รถไฟที่วิ่งความเร็วสูงผ่านหน้าเราไปได้ทุกขันแบบเดียวกับอย่างนั้นถ้าเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสะเกตดที่ใจไม่ต да like ้องไปไล่วิ่งไล่รู้เตาทานวิ่งไล่ดับสังขารทั้งมวลรู้อยู่กับที่รู้ก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนของเราไปรู้เพราะไอตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งคือเป็นตัวรถไฟความเร็วสูงตัวเราเนี่ยที่มันปรุงแต่งได้เป็นรถไฟความเร็วสูงก็รู้ตัวเราลาตัวเราที่มัน มันคิดปรุงแต่งได้เป็นความรูกไฟลุกไฟความเร็วสูงเนี่ยแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏอาการใดๆแต่ก็รู้ที่ใจนั่นแหละรักที่ใจปลวางที่ใจเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดดับที่ใจใจมีสภาพรู้เป็นธรรมที่มีสภาพรู้โดยสภาพของเขาโดยธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราเป็นคน ร, รู้เมื่อไปเป็นใจอยู่ตลอดเวลาโดยมีสติอยู่ที่ใจไม่เอาสติไปตั้งที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เอาสติไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไปตั้งกับสิ่งที่เราไปคิดไปถึงอย่างนี้มันส่งจิตออกนอก ถ้ามันส่งจิตออกนอกไม่สติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจอยู่ตลอดเวลาส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่ถูกรู้ตลอดเวลาไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้ตลอดเวลารารู้เห็นอะไรก็ไปอยู่กับรูปเห็นรูปก็ไปอยู่กับรูปไปอยู่กับสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดได้ยินเสียงก็อยู่กับเสียงทั้งหมดได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็ไปอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราสัมผัสทั้งหมดเวลามีความคิดอะไรก็ไปอยู่กับเรื่องที่เราคิดเราคิดถึงใครก็ไปอยู่กับเรื่องที่เราคิด อันนี้มันส่งจิตออกนอกหมดเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลหนึ่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ถ้าทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆยังเป็นอยู่บ่อยๆต้องบริกรรมพุทธโธไว้ทุกขณะปัจจุบันให้มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่คำบริกรรมพุทธโธเพื่อไม่ให้ส่งหลงส่งจิตออกนอกให้มันสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใ จ, ใจสังเกตใจปล่อยวางที่ใจโดยอาศัยคำบริกรรมพุทธโธเป็นเครื่องรู้สึกตัวไว้ไม่มาหลงส่งจิตออกนอกแล้วก็รู้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจโดยอาศัยคำบริกกรรพุทโธเเป็นคื่อง้สึตัววไ แต่ถ้าเราเนี่ยไม่หลงไปกับอะไรแล้วบิสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางใจตลอดเวลาก็ไปต้องบริการพุทโธแล้วเพราะว่าไอตัวสตินี่นแน่เป็นตัวพุทโธด้วยตัวสติเนี่ยเป็นตัวรู้ด้วยสติเนี่ยเป็นตัวละรู้ละปล่อยวางด้วยสตินั่นแนะเป็นตัวที่มันไม่เข้าไปจับไปปล่อยไปจับไปปล่อยสติเนี่ยไม่ไม่เป็นตัวที่ไม่ไล่ไปดับอะไรสติแน่แนะเป็นตัวที่ไม่ไม่หลงเข้าไปผักใสอะไรสติแน่แน่เป็นตัวที่ไม่หลงขึ้นไปกับรถไฟความเร็วสูง ไม่กระโดดขึ้นรถไฟไปเลยได้แต่รู้สักตะวันรู้แต่รู้สักตะวะนรู้รู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อรู้จิตขณะปัจจุบันละจิตขณะปัจจุบันเท่านั้นเป็นธรรมะธรมโมอดีตเป็นทำเมาจิตในอารมณ์ในอดีตเป็นทำเมาแม้จะมีปรากฏการอัศจรรย์อะไรในอดีตถ้าไปหลงหลงมัวในอดีตเป็นทำเมาหมดอนาคตเป็นทำเมารู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันเท่านั้นเนี่ยจนละไปได้หมดสิ้น เมื่อเราไม่ขึ้นไฟรถไฟความเร็วสูงเรายืนอยู่ฐานนี้รถไฟอ่ะเรายืนอยู่เฉยเดี๋ยวรถไฟความเร็วสูงมันจะแล่นมาเร็วขนาดไหนอ่ะมันก็แล่นผ่านมันแล่นมาที่ใจเนี่ยแน่เพราะใจอ่ะมันได้แต่รู้เป็นธรรมชาตินี้ได้แต่รู้ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้อะไรมันเคลื่อนไหวไมได้มันมีสภาพรู้โดยสภาพของมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีความเร็วสูงปานใดความคิดความนึกความตึกความตองความรู้สึกตัวอะไรก็ตามมันเป็นความมีอาการใดๆก็ตามมันเกิดดับอยู่ในใจ เมื่อใจมีสภาพรู้สติมันตั้งที่ใจมันเลยรู้หมดเลยว่าอะไรเกิดดับที่ใจนั้นสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันถ้าสติตั้งที่ใจมันเลยรู้เรื่องที่ใจตลอดเวลาเมื่อไรที่สัตว์ว่ารู้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าไปโซ่เบยไม่เคยไปลองรับสิ่งที่เกิดดับในใจเลยมันก็กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไป นี่คือวิธีปฏิบัติแต่ถ้าเราเอาสติเนี่ยไปตั้งที่ที่รูปในสิ่งที่เห็นในทุกขณะปัจจุบันไปตั้งที่แต่การงานที่เราทําในปัจจุบันรู้เรื่องแต่งานที่ทํารู้เรื่องแต่อาหารที่กินรู้เรื่องแต่ที่พูดคุยกันอันเนี้ยมันสติมันไปตั้งอยู่ที่ข้างนอกทั้งหมดแล้วไปตั้งที่อายะตนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นอายะตนะภายนอกมันไปตั้งอยู่อายตนะภายนอกอย่างนี้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอก เป็นสมุทยัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ผลในจิตส่ออกนอกมันเป็นทุกข์แต่สติมันอยู่ที่ไหนความรู้ก็อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติก็อยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเมื่อเราไปรู้อะไรเราก็ไปเอาสติเราไปตั้งอยู่แต่สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปได้ยินไปได้ฟังได้สัมผัสมันก็ไปรู้แต่เรื่องของเขาอ่ะเขาไปกับคนนู้นเขาไปกับคนนี้เขาไปมีอะไรกันเราเอามานินทาว่าร้ายกันอยู่นั่นน่ะพูดกันไม่รู้เจะคนนั้นทาอย่างนี้คนนี้ยังก็ มันก็แล้วไปแล้วจบไม e ่จบเลิกไม่เลิกเพราะว่าอะไรมันเอาสติไปต enfin ั okay. ้งอยู่ที่เขามันเลยไปรู้แต่เรื่องของเขาแต่ไม่รู้ใจตัวเองเพราะอะไรล่ะสติมันตั้งอยู่ไหนความรู้ก็อยู่ที่นันมันไปตั้งที่เขามันก็ไปรู้แต่เรื่องของเขาทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเฉมาะฟ้องเรากันอยู่เรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยฟ้องลพบปูีครูบาอาจารย์มาฟ้องอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็เข้ามาฟ้องเดี๋ยวก็เข้ามาฟ้องมันสติมันตั้งอยู่ที่เขามันไปรู้เรื่องของเขามันไม่รู้ว่าใจเราไม่เปสติตั้งตีดใจเลยไม่รู้ว่าใจเราคิดกับบเเเเขขาาาายยงงไรลอกว่คิด อะไรกับเราอย่างไรอ่ะมันไม่ใช่สาระสําคัญมันไม่ใช่สิ่งสําคัญมันไม่ใช่เป็นของสําคัญเลยเพราะมันไม่ทําให้เราผนทุกข์แต่เรารู้ไหมว่าเราเนี่ยกําลังคิดอะไรกับเขาอันเนี้ยมันจะทําให้เราผนทุกข์เพราะอะไรเรารู้ว่าเราคิดอะไรกับเขาก็เพราะว่าสติมันตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจสังเกตใจปล่อยวางที่ใจมันเลยรู้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรกับเขาคิดอะไรกับใครคิดอะไรกับสิ่งที่มาสัมผัสอย่างไรคิดกับอาการของใจอย่างไงเรากินอะไรเราคิดกับสิ่งที่เรากินในตอนเช้าอย่างไรอ่ะ S <S เราเนี่ยมันอาตัวสติไปตั้งที่อายาตนาภายนอกหมดแล้วไปตั้งที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปตั้งที่ธรรมารมเราสอนทุกวนันทุกวนันแต่ ai, สุดท้ายอ่ะสติมันไปตั้งอยู่อายตนาภายนอกหมดอะเราพูดมาตั้งยี่สิบปีแล้วสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจปล่อยวางที่ใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนมาหลวงปู่ธาจารลุคธมวไปดูซีดีแผ่นหนึ่งเนี่ยซีดีแผ่นหนึ่งแล้วเราสอนมาตั้งยี่สิบปีแล้วเอเราสอนที่ศาลนะ่ะ ดูที่ซีดีแผ่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็อีกแล้วสารแพงขึ้นต้นสารปูธอเ น, นี่นะเดี๋ยวก็อีกแล้วแล้วปูทาจารุตโมส ต, ติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจสอนมายี่สิบปีแต่พวกเราเป็นไงเราดูเหรอสติตั้งที่ไหนทุกขณะปัจจุบัน่ะอ้ยมันก็ไปตั้งแต่สิ่งที่เราไ ป, ไปรู้ไปเห็นทั้งนั้นไปสัมผัสกินอะไรก็ไปอยู่แต่สิ่งที่กำลังกินคุยแล้วก็อยู่ที่สิ่งคุยเห็นกันก็ไปอยู่แต่คนอื่นไปเพ่งโทษแต่คนอื่นทีตนอนนี้เพราะอะไร สติตั้งที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ที่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเมื่อเราเอาสติเราไปตั้งที่คนอื่นมันก็เลยรู้แต่เรื่องของคนอื่นแล้วมันก็นินทาว่าร้ายกันมโหเขาว่าเขาเห็นแต่เขาทําผิดแต่ตัวเองอะ่ะไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยเลยกลายเป็นแต่มีต่เพ่งโทษกันแล้วก็ทะเลาะกันไปทุกทุกที่เลยวุ่นวายสารพัดเพราะอะไร สติมันไปตั้งแต่ที่เขาอะมันไม่ตั้งที่เราอะไม่ตั้งที่ใจมันก็เลยไม่รู้เรื่องของใจตนเองว่าคิดกับเขาอย่างไรเลยมันรู้แต่เรื่องของเขามีแต่ติฉินดินทาว่าลายเพ่งโทษเขาอยู่เรื่อยตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหากันทั่วทุกที่เลยเนี่ยแบบเนี้ยเพรออเนี่ยสอนมายี่สิบปีหลวงปู่ทาสอนมาก่อนเราอีกจนกระทั่งอายุเก้าสิบปดมันาภาพไปมากี่ปีแต่พวกเราเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้าย ทุกขนา LA, ดจิตปัจจุบันสติไปตั้งที่อะไรมันก็รู้อยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ทนั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเราไปตั้งที่คนอื่นมันก็เลยรู้เรื่องแต่คนอื่นเน่ยบางทีเนี่ะเดินย่องย่องย่องมาจะมาหาเราเรามองจะมาดินทาเขาไม่เอาไมอไมอย่าอยเราเห็นแล้วถ้าทานจะดินทาคนอื่นไม่ดินทาอยากมาเล่าให้อาจารย์ฟังอยากมาเล่าให้ลูกตาฟังเอยไม่เอาดินทาเขาไม่เอาไ่เเดี๋ยววันที่สองมาอีกละ ย่องย่อย่องมาไม่เอาจนันนิ tha เขากลับไปกลับไปไปพอวันที่สามไม่ไม่รอให้อนุญาตอนุญาตแล้วเล่าเลยไม่ให้คนนั้นเห็นเลยเห็นเลยไปกับคนนั้นคนนี้คนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยคนนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างงี้โอ้ยตายแล้วเก็บมาตั้งสามวันดีไม่ตายตั้งวันก่อนนู่นนะอ <c oughs> มันแค่อยากจะพูดกันนั้นแนะแค่นี้แนะเนื้อไม่ได้กินหลังไม่ได้รองนั่งเอาบาปกรรมมาติดซะแล้วทติล่องบูม่านบูเลียโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่า โทษเขาเนี่ยเขามีกรรมชั่วเท่าภูเขาเนี่ยเราเอาเขาเข้ามาพักวิภาควิจารในใจเราเท่าขีเล็บทําให้เราตกนรกได้เลยเอามาเท่าขีเล็บนะแต่โทษของเขาเท่าภูเขาเขาก็ตกนรกอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไปเอาส่วนของเขาเข้ามาตะกิดเข้ามาเท่าเข้าขีเล็บเอามาวิภาควิจารณในใจเราเนี่ยทําให้เราตกนรกได้เลยเราไปมีส่วนกรรมร่วมกันเนี่ยบางทีต้องมาเกิดเป็นผัวเป็นเมียกันต้องมาเกิดชดใช้กันซ้อมกันเตะกันเพราะคู่กรรมก็มาจากนี้เนี่ยมาเป็นลูกเป็นผัวกันก็เพาว่าไปมีกรรมร่วมกันถ้าไปผูกกับเขาซะ หาเรื่องไปผูกกับเขาซะลพบุรีว่าเน่ยท่านโอ้ยดูมากเลยตรงเนี้ยต้องต้องให้ระวังมากเลยที่ว่าไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปฟังข่าวเขาบอกว่าคนร้ายคนเนี้ยมันโหดมากชั่วช้ามากจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้ให้ระวัง น, นําจับวันต่อมาถูกฆ่าตายไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปดูข่าวทวทัศน์ก็สะใจโอ้ยสะใจใหญ่เลยความสะใจเราที่ไปไปร่วมกับเขาเนี่ยโดนฆ่าสักดีไอหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เขไปศาสใจผลท้ายไปมีกรรมร่วมเลยเกิดไปไปมีกรรมร่วมกับเขาเลยเนี่ยอยาเด็ดขาดเลยเข้าไปร่วมยินดียินายเพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดนในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคปวดหัวรักษาไม่หายโรคอื่นรักษาหายหมด น, นะพระหมอชีพกะกกรรมละพะแต่เป็นหมอเทวดาประจําพระองค์เนี่ยรักษาเก่งมากเลยรักษาหายหมดแต่โรคแห่งกรรมรักษาไม่หายคือปวดหัวรักษาไม่หายกรรมที่อะไรสมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกชาว ป, ประมง จ่าประมงก็จับปลามาได้เยอะๆเขาฆ่าปลาได้เยอะดีใจไปร่วมดีใจกับเขาแค่นั้นแหละในการทำบาปกรรมแค่นั้นแหละแค่ไปดีใจกับเขานะไม่ได้ไปจับปลาด้วยเลยกลายมาเป็นโรคปวดหัวมันรักษาไม่หายเพราะฉะนั้นนะ่ะใจนิพพานเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอท่องไว้ส ต, ติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจเป็นพอ วันก่อนนู้นอ่ะเราสอนเหนื่อยแล้วเราก็ไปพักแล้วก็ให้คนหนึ่งมาสอนแทนต่อเราแล้วก็มีคนนึงเนี่ยออกไปนั่งไม่ไม่เข้ามาฟังเขาเราก็ออกมาพักเสร็จแล้วก็ออกมาเอ้าหนูทําไมไม่เข้าไปฟังเขาสอนล่ะเออหนูไม่รู้ว่าคนที่มาสอนแทนอาจารย์เนี่ยเขารู้จริงไม่รู้จริงหนูเลยไม่ฟังอ้าวเออหนูเขาเนี่ยจะรู้จริงไม่รู้จริงก็ไม่รู้ล่ะอันนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้หนูพ้นทุกข์อ่ะ แต่หนูรู้ไหมว่าหนูคิดอะไรกับเขาอย่างนั้นอ่ะไม่รู้อ่ะเออเออถ้าหนูไม่รู้ว่าหนูว่าคิดกาลังคิดอะไรกับเขาอย่างนั้นอ่ะอันเนี้ยอันนี้มันทําให้หนูเป็นทุกข์ได้เพรหนูต้องมานั่งเยียบๆอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันต้องรู้ตลอดเวลาเราเอาเราเอาตติไปตั้งที่เขาแล้วก็เลยรู้เรืองแต่เรื่องของเขาตติไปตั้งที่ที่ชาวบ้านเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านไม่รู้อยู่อย่างเดียวไอ้อย่างอื่นในโลกไม่รู้หมดไม่รู้เยอะอย่างเดียวคือไม่รู้ใจตนเองเนี่ยมันเสียหายย่อยยับ มีคนเรียนนะนนั้นมาหาเราเนี่ยเป็นเป็นด็อกเตอร์เรียนทั้งพุทธศาสนาเรียนนั้ปัจจยาด็อกเตอร์มาอยากจะมาขอสนทนาธรรมด้วยมามามาหาเราพอมาถึงเนี่ยกับพูดแต่เรื่องอะไปัจจยาเรื่องโอ้โหอะไรตรกกะขั้นสูงมากเลยอออาจารย์ลองดูสิเนี่ยหยิบไม้มาชิ้นหนึ่งอ่าไม้สั้นๆตะคืบหนึ่งเนี่ยแล้วอาจารย์ว่าอันนี้มันสั้นหรือ ย, ยาวาอ่ะถ้าเราบอกว่า มันสั้นอ่ะอันนี้มันสั้นเขาก็เอาไอ้อะไรนะเอาไปขีดกระเล็กๆมาเอามาเทียบแอบยาวเห็นไหมแล้วก็พอเราบอกว่ามันยาวมันยาวเขาก็เอาไม้ยาวๆมาเทียบอ่ามาันก็สั้นอย่างเงี้ยมันจะพ้ทุกตรงไหนวะอย่างเงี้ย <laughs> มันเป็นวิชาความรู้ภายนอกพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยสองชั่วโมงเราไม่ได้พูดเลยจะมาสนทนาจะมาสนทนากับเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน สชั่วโมงเราไม่ได้พูดเลยสักคาเดียวพูดแต่เรื่องเหล่านี้ยยาวๆ ส, ๆ, ส ๆ, สๆสั้นๆสั้นๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเ น, นี่ยแบบเนี้ยเราพอจะพ้นทุกตัวไหนวะเนี่ยเออเสร็จแล้วก็ อ, อ๋อผมพูดจบแล้วอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะแนะนําผมบ้างหล่ะเดี๋ยวผมจะกลับแล้วก็พูดอยู่สองชั่วโมงเราไม่ได้พูดเลยเพราใจเราพูดจบจะกลับแล้วก็จะมาได้เปลี่ยนความรู้อะไรกันยังไงวะเนี่ยแล้วก็อุตส่าห์มาตั้งไกลเราเลยบอกว่าเออแล้วก็ขอบคุณมากเลย ที่ผมพูดอะไรให้เราฟังสองชั่วโมงเนี่ยกเดีก็ได้ความรู้แปลกๆมาใหม่ดีขอบคุณขอบคุณมากเลยแล้วอาจารย์พี่เราจะแนะนําผมบ้างล่ะเออเอาเอาเอาอย่างเดียวอย่างเดียวเพราะท่านพูดมาจบหมดแล้วอย่างเดียวเออทุกอย่างเนี่ยท่านมีความรู้เราก็ยอมรับว่าท่านท่านมีความรู้มากจริงๆอะ่ะแต่ท่านเพิ่มอีกอันนะท่านเพิ่มอีกอั น, นรู้รู้ตัวรู้จักตนเองรู้ใจของตนเอง เมื่อไหร่ท่านรู้จักตนเองรู้ใจของรู้ใจตนเองเมื่อไหร่ท่านมาหาผมอีกครั้งแล้วท่านมาเล่าให้ผมฟังอีกทีว่าใจของท่านเป็นอย่างไรทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันท่านบันทึกไว้หมดเลยว่าทุกขณะปัจจุบันใจของท่านมีความคิดความนึกความรู้สึกมีความตึกตองว่าอย่างไรวิภาควิจารณ์ใครว่าอย่างไรวิภาควิจารสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งี้ท่านเห็นสิ่งที่ท่านได้ยินสิ่งที่ท่านสัมผัสสิ่งที่มันเกิด อาการในใจต่างพอใจไม่พอใจท่านมีความคิดความนึกความตึกความต่อพอใจไม่พอใ จ, อใจวิภาค ว, วิจารอย่างไรในทุกขณะปัจจุบันท่านรู้หมนเลยทุกอย่างเนี่ยแต่ท่านเพิ่มความรู้อีกอันหนึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องเพิ่มคือท่านรู้ที่ใจแล้วท่านเอามาบอกผมไม่ทีเงว่าในใจของท่านเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นท่านจงรู้เหมือนกับว่าท่านเนี่ยตั้งกล้องโทรทัศน์ถ่ายทา สัตว์โลกผู้น่ารักโดยที่เอาไปตั้งกล้องไว้ให้มันถ่ายทาอัตโนมัติในป่านั้นแล้วไม่มีตัวผู้ถ่ายทาแล้วให้รู้เห็นความเคลื่อนไหวของสัปปะศัตว์ในป่านั้นตามความเป็นจริงของเขาแล้วก็นำมาเผยแพร่เป็นอะไรนะ g e o g r a p h i c หรือ discovery อะไรอะไรนะอะไรนะ n a t u r a เทียวกราฟิกแล้วมีการอะไรกันนะดิสครับเบอรี่อะไรจำ <Yeah. S 1> ไ, นะไหม mm hmm. เออเนี mm ่ย hmm. เออคือให้ตั้งกล้องถ่ายทําไว้สัตว์โลกผู้นารักษ์ในป่านั้นนะ่ะตามความเป็นจริงแต่ห้ามมีคนอยู่หลังกล้องเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไปแทรกแสงธรรมชาติมันจะเอาอันนี้ถ่ายเอานี้ไม่ถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ไม่ชอบไม่ถ่ายท่านต้องตั้งกล้องไว้ตามความเป็นจริงในใจของท่านแล้วท่านทําวิทยานิพนธ์ ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดับจริงเปลี่ยนแปลงจริงในใจของท่านทุกขณะปัจจุบันเอามารายงานผมทําวิทยานิพนธ์ท่านทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมาทุกวิชาแล้วเหลืออีกอันหนึ่งคือยังไม่จบทําวิทยา น, นิพนธ์นี่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงดับจริงภายในใจของท่านในทุกขณะปัจจุบันแล้วเอามาทําวิทยานิพนธ์แล้วมาเอามาเอามาให้ผมดูสิเรามาคุยกันอีกทีโอ้โหวันหลังมาหาอาจารย์ ปวดหัวมากเลยทำไมอ่ะมันคิดไปหยุดมันพูดไปหยุดมันบ่นไม่หยุดโอ้ยมันสารพัดจะคิดผมกลับไปนอนดูเนี่ยมันนอนไม่หลับเลยทั้งวันทั้งคืนมันปวดหัวมากเลยมันคิดไม่หยุดเลยอ้าวไหนบอกว่ารู้หมดเลยทุกอย่างในโลกนี้พอบอกว่าเมื่ห้มันรู้ใจตัวเองปวดหัวมากเลยอาจารย์โอ้ยผมปวดหัวมากเลยกลับมาหาเราปวดหัวมากเลยอาจารย์เนี่ยผมนอนไม่หลับเลยมันโอ้ยมันสารพัดจะคิดมันคิดเยอะมากเลยอ้าวแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นเหรอ ไม่เห็นนะเนี่ยไปเรียนรู้ข้างนอกหมดเลยไปเรียนรู้ข้างไหนพอเรียนรู้ข้างในปวดหัวมากเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> บอกว่าไม่รู้เลยว่ามันคิดเยอะขนาดเนี้ยก็คุณ <c oughs> พูดเยอะสักขนาดเนี้ก็ <c oughs> ต้องคิดเยอะสักขนาดพคุณพูดเยอะสักขนาดนี้สองเจ้าโม้พูดไปหยุดเลยมันก็ต้องคิดเยอะสิยิ่งคิดเยอะคุณก็ยิ่งปวดหัวเยอะเห็นไหมคุณไม่รู้เลยเห็นไหมเนี่ยพอมาเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยโอ้ให้เรียนสกออ ก, อกนอกหมดเรียนรู้ใจของตัวเองอย่างเดียวจบเรียนเนี่ยทายทำนะ ทำวิทยายผลเป็นย่าเอกถ่ายทำจิตใจของตัวเองตามความเป็นจริงรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อทุกขณะปัจจุบันทำวิทยายผลรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันจิตเป็นอย่างไรได้แต่แค่รู้จิตเป็นอย่างนี้อยากเข้าไปแทรกแซงอยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากเข้าไปแทรกแซงอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างเนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเป็นทางตรงข้ามปณิพาน์ รู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อทุกขณะปัจจุบันนี่เนี่ยเป็นทางแห่งพันิพานนี่เป็นคําของลัพปุทาเจรุตโ ม, ออมของแม่ครูอาจารย์ใหญ่เนี่ยไอ้ฝึกไอ้เนี้ยไว้รู้มันเหมือนกับถ่ายทำรรตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องวิดีโอถ่ายทำรรสัตว์โลกผู้น่ารักไว้แล้วไม่มีใครอยู่หลังกล้องให้มันถ่ายทำตามความเป็นจริงนั่นเนี่เรียกว่ารู้ซื่อซื่อหรือสักแต่ว่ารู้หรือแค่ ก็ไมปจับก